ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกิมมิลาสูตรเป็นประสูรที่พระพุทธเจ้าแสดงเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่นานหรือพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปมีข้อความในเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เวลุวัน ไกล้เมืองกิมมินละมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อกิมมิละเหมือนกันได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระองค์ว่าอะไรเป็นเหตุให้พระสธรรมเสื่อมไปหลังจากพระเจ้าปรินิพานไปแล้วผู้พุมิภาครับสั่งว่าหลังจากพระองค์ประนิพานไปแล้ว พุทธบริษัททั้งสคือภิกษุภิสูจน์นิบาสุปัสิกาไม่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในใจสิคขาในการปฏิสันฐานและในความไม่ประมาทตัยเหตุนี้จะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไป แต่ถ้าก็กราบทูลถามทั้งเหตุให้พระพระสัตธรรมตัญช้ยกรรมาพระสัตธรรมให้ด้ปรงอยู่ตลอดกาลนานว่าจะคือขึ้นมาจากสาเหตุไรก็ทรงแสดงเหตุตรงกันข้ามก็คือพุทธบริษัทมีความวรรคหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิรษาในการปฏิสันฐานและในความไม่ประมาท สูนี้มีข้อที่น่าสังเกตในลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมคือเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราเรีกเวลุวัน well มัน ก, ก็อยู่ที่กลุ่มราชครึก็แสดงว่าเวลุวันก็คือป่าภายัยแต่นั้นเองพระเจ้าเสด็จอยู่ประทรับอยู่ที่ป่าไม่ไผ่ใกล้เมืองชื่อกิมมินละ โไม่คอยได้ยินนะชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินก็แสดงว่าคงเป็นเมืองไม่ค่อยใหญ่อะไร่ะกิกมิละนั้นก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็คงเป็นพระรุ่นหลังแล้วก็ไม่จะอยู่ระดับโอกาสิติมาสาวกแต่ปหัหาที่ท่านมาประรบก็แสดงให้เห็นถึงการได้สังเกต สิ่งต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในยุคในสมัยนั้นก็มาประรบถึงพระศาสนาการใช้คานั้นจะใช้แตกต่างกันออกไปเพราะชื่อที่เราเรียกพระพุทธศาสนาที่จริงมันเรียกหลายชื่อชื่อแรกตอนต้นๆ ต, ตอนพุทธศาสนรุ้ใหม่ๆเรียกตอนนั้นว่าอมารุต ธ, ธรรม ตอนแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ทรงใช้คำว่าอมารุตแต่ธรรมคือเรียกเรียกผลสูงสุดเรียกตัวนิพพานนีเดียวพอต่อจากนั้นมาถึงแสดงธรรมะแก่พระยศะกุลบุตรทรงใช้คำว่าธรรม ร, รมะเฉยๆเลใช้คำนี้ร่วยมานะ จนมาถึงทรงแสดงโอวาทปาจิโมกแกพระหา น, น250ปันสองรห้าสิบูปทรงใช้คำว่าพุทธศาสนาและในความเป็นพุทธศาสนานั่นเองก็ได้แสดงถึงโครงสร้างของความเป็นพุทธศาสนาไว้คือแทนที่จะใช้คำเป็นเอกพจน์คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะ ใช้คำเป็นผู้พุทธเบราวุฒิเจ้าทั้งหลายก็แสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลา ย, า ห, ารา ห, ลายหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายนี่สอนตรงกันแต่เนื่องจากสิ่งที่สอนมาก็มีอยู่หลายระดับก็มายความว่าแม้ตรงกันบางระดับก็ชื่อว่าตรงกันในระดับเหล่านั้น นั้นเมื่อเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาที่มาของตัวสัจธรรมหรือตัวคําสอนมันจึงมาจากสี่แหลง่งแน่นอนเป็นผลตรงจากการศัตรูนะทั้งหมดนี่คือสงครามรูแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คนสมัยก่อนก็รู้อยู่แล้วบางอย่างคนสมัยก่อนรู้ผิดบางอย่างคนสมัยก่อนรู้ไม่สมบูรณ์ เพราลักษณะคำสอนมันก็ออกมาในแนวที่ส่วนหนึ่งก็คือการปฏิวัติสิ่งที่คนสมัยก่อนรู้แต่ก็เข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็พลิกกลับมาใช้มาถูกเป็นลักษณะของของเหรียญสองด้านนะครับพลิกอีกด้านเนึงออกมาอีกแนวหนึ่งถ้ารู้สมบูรณ์ถูกต้องในจุดหลดนั้นปรัช <c oughs> าก็ยอมรับ ถึงความจริงส่วนนั้นแล้วนมาเปิดเผยชี้แจงแสดงโดยบอกกล่าวว่าท่านผู้นั้นกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเอกดัตที่สมท่านรู้ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์คื อ, อยังต้องแก้ไขเพิ่มเติ ม, ต, มต้องปรับปรุงํา น, น, นวนวิชาการปัจจุบันก็ใช้าเสริมเติมเต็มความว่าเขาก็รู้ม า, มากกว่าสมควรแต่ว่า ในภาคปฏิบัติจริงๆถ้าใช้เหตุขนาดนั้นผลจะไม่ออกมาขนาดนั้นปุจจ้าก็แสดงเหตุให้สมบูรณ์ขึ้นคือเพิ่มเติมขึ้นที่เราเรียกว่าปฏิรูปันอนนั้นก็เป็นหลักการตรงที่คนสมัยนั้นไม่เคยรู้มาพวกดิพานพวกปฏิจจสมุปบาทพวกอนัตตาพวกอริยสัจอะทรต่ออะไรเนี่ยนะครับคนสมัยนั้นไม่รู้มา นี่การมาประรบถึงความดํารงอยู่มั่นคงของพระสัทธรรมเพราะในการต่อมาคําว่าพระพุทธศาสนาได้ถูกใช้เรียกชื่อว่าพระธรรมวินัยก็มีเลยคือประสัทธธรรมเรียกชื่อว่าพระธรรมวินัยตอนสุดท้ายเนี่ยฮะตอนสุดท้ายก่อนประนิพพานเรียกว่าพระธรรมวินัยแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ในคํานี้ท่านใช้คำว่าศัตธธรรมจะทําเป็นลําดับขั้นตอนของการศึกษาการประพฤติปฏิบัติการสัมผัสผลในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโครงสร้างของเรื่องทั้งหลายที่เราเรียนรู้ในโลกเนี้นะฮะมาความทั้งหมดเราเริ่มจากไม่รู้เราก็ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร แล้วก็สาเหตุมาจากอะไรผลอะไรที่เราต้องการต้องการผลโน้นนั้นจะทำเหตุอะไรมันก็ศึกษาเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนรู้ส่วนนี้ท่านเรียกว่าปริยัติสัทธรรมคือเป็นการศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแต่ในจุดนี้มันก็มีการจำแนกออกไปอีก ระดับของการศึกษาเรียนรู้คนที่มีเจตนารมในการศึกษาเรียนรู้สิ่งทั้งหลายนั้นมันจะแยกออกไปเป็นสี่ประเภทเป็นสามประเภทประเภทแรกเรียกสัมพนบาลีว่า อ, อ, อคละคัทถุปมาปริยัติเป็นการเรียนรู้เบือนอสรพิษเมื่อต่อสู้กันเผักล้างประคุมคู่เพื่อต่อสู้กันโต้เฉียงกันหักหลางกัน ถ้าลองสังเกตว่าสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นประเทศอินเดียเองไงนะะเราสูญเสียเวลาไปตรงนี้เยอะคนมาถกเถียงกันอ้างวาทะคคากลมคูหักล้างเพื่อนพูดมาก็คัดค้านใครพูดมาคัดค้านหมดเพราะแนวการลามสูตรที่เกิดขึ้นมันก็มีการคัดค้านอย่างนี้นะ คนหนึ่งพูดคนหนึ่งมาหมค์ค้านตัวเองพูดไปแล้วเพื่อนใหม่ทีค้านคนก็สูญเสียเวลาไปพวกะฟังการทะเลาะวิวาทกันนี่เป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์แม้ในปัจจุบันท่านลองสังเกตนะฮะถ้าเราอ่านสื่ออ่านอะไรต่ไรเวลานี้มันหาข้อยุติไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวคนหลดนั้นจะมาถกเถียง จะมาหักล้างการใครจะพูดดีพิเศษยังไงก็ตามนะจะมีคนค้านจนได้ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่แปลกมากเวลาเนี้ยพูดมาเธอดียังไงก็ตามมีคนค้านได้หมดและในตัวเราก็สูญเสียหลักอีกประการหนึ่งเ็เรียกว่านิสสนาปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้หลุดรอดจากความทุกข์ ใช้วิชาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพัฒนาตนเองซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในการศึกษาธรรมะทางพุทธศาสนาในส่วนที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงเอาไว้นะครับระดับที่สก็เรียกว่าพันธาคาริกะปริยัตเป็นการศึกษาเพื่อทํารงพระศาสนาหมายความว่าท่านเองท่านท่านท่า น, านจบแล้ว ท่านไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วพระท่านสมบูรณ์แล้วแบบพระอระหันต์นะฮะพระอระหันต์ท่านศึกษานะฮะท่านก็ศึกษาท่านก็สอบถามองค์ธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงแสดงแานประจำทรงไว้แล้วก็ท่านก็นําสื่อประสาทสนามาเราจะเห็นว่าสังคายนะาครั้งที่หนึ่งสองสามนะฮะพระอระหันต์ล้วนๆท่านทํากันท่านก็ต้องผ่านการศึกษามาเพราะพระพเจ้าไม่ได้เทศ ไม่ได้เทศกับท่านทุกกันนะนะครับเทพในที่อื่นท่านก็ท่านเหล่านันะ้นก็ไปศึกษาไปสอบถามมานั่นก็คือแนวของพระสัจธรรมแต่รุนในส่วนของปรยิยัติสัจธรรมนะครับประการต่อไปก็คือปฏิบัติสัจธรรมเป็นการนําธรรมะเหล่านั้นแหละมาประคฤตปฏิบัติก็เรื่องที่เราศึกษานั่นเองคล้ายๆการเรียนรู้วิธีทำอาหารแล้วก็นําอาหารมาปรุง เป็นภาคของการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นอากาลิโกโดยเนื้อหาแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องใช้เป็นแม้เราใช้ธรรมะนะะเป็นธรรมะดีๆแต่ถ้าเราใช้ผิดกลุ่มคนผิดบุคคลผิดกรณีมันก็เหมือนกับใช้ยาผิดยามันก็ดีนะฮะแต่ใช้ผิด แต่ที่จะเกิดประโยชน์มันก็เกิดเป็นโทษขึ้นมาเพราะแนวธรรมะในภาคปฏิบัติจึงจึงเน้นมากนะฮะต้องให้ระมัดระวังมากธรรมะอาจจะดีแต่ปฏิบัติผิดที่ผิดคนผิดกาศไม่เหมาะไม่ควรก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้โครงสร้างตรงนี้ที่นำมาบอกบ่อยๆเระทรงแสดงไว้บ่อยๆนะฮะ ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคาว่าชอบยิ่งนั้นคือเป็นมัชชิมามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแต่ทำมากข้ออะไรเช่นสมมุติว่าขันตินี่เราปฏิบัติในกันณีอะไรเมตตากันดีอะไรมุติตาในกรณีอะไรปฏิบัติผิดแล้วก็แล้วก็ผิดนนะ เช่อสมมติรคนคนก็เดินอยู่ปกติเราก็วิ่งไปประคองเขาเนี่ยครัตัวนั้นไม่ได้นะครัตัวนั้นไม่ใช่อุเบกขาเขเดินเฉยๆเราก็ปล่อยปล่อยก็เดินไปแต่ถ้าเขาหกล้มเนี่ยถ้าเราหกล้มเราเกิดไปแสดงมือทีตาแสดงความยินดีแต่เขาหกล้มก็โกรธเราอีกเพราะตรงนั้นที่จริงต้องใช้การุนาธรรมะมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่องใช้เป็นนะพูดง่ายต้องใช้ ได้ ว, ว่าผลที่เราสัมผัสจ้างต้องออกมาเป็นการพัฒนาปัญญาความรุทสิ์โดยจิตใจมันกว้างขวางขึ้นจิตใจเรามีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสูงขึ้นในความมีความรู้สึกเป็นสากลเพิ่มขึ้ น, น่นในสังคมไทยเราเราจะเห็นว่า มีปัญหาเยอะนะปัญหาที่ความคับแคบเนี่ยความความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันแรงแม้ในหมู่พระเองเมื่อก็มีมานิการมีธรรมยุทมีวัดนั้นมีวัดนี้มีนิกายแล้วมีการทีมร่มันยุ่งรุงรังพันเตกิเลตทั้งนั้นเลยเอามาไว้ทําอะไรกันไม่รู้แต่เอาไปยึดไปถือกันทาให้เราสูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพจิตสูญเสียเอกภาพ เ่าสียความรู้สึกอะไร อ, อะไรไปไปเป็นอันมากนาก็แสดงให้เห็นถึงเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ได้เกิดผลของธรรมะก็หมายความยังไงหมายความว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกความรู้สึกไม่เป็นสากลนีคความรู้สึกแบบพุทธต้องสากลถ้าอย่างไม่สากลแล้วก็ถือว่ายังไม่ถูก การแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาและพยายามไปจะต่อสู้หักล้างกันอยู่ดีๆเราสเพสตานะฮะเราปานาติปาตาสำหรับจริงมีชีวิตให้มองจากสองคำนี้และจะเข้าใจชัดในการปฏิบัติสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นสเพสตา เป็นเป็นเป็นป า, น, านะนะฮะเป็นลมหายใจเข้าออกการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรสร้างความรู้สึกเมตตากรุณาเมตตาที่เราแผ่เมตตากันนะฮะแต่แผ่ลมมิหันกันมันก็แผ่เป็นสะเพสตาทั้งหมดแผ่มนะรรสัต์ทั้งหลายทั้งปวตงตัวนี้เป็นผลที่ท่านเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทมันจะต้องออกมาอย่างนั้น องค์การปฏิเวทที่สมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าพระหันจึงเป็นสากุลไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพวกเราพวกเขาทรงใช้คํารวมๆเป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนแปลวเพื่อเป็นกา ร, กราอุทธรณ์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นี้ก็คือเรื่องของพระศิษธรรมเราจะเห็นว่าปฏิบัติปริปรยัติก็คือแสดงทางของความของประโยชน์อันมีลักษณะคือกูลได้หน่อยความสุขปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์คือกูลและความสุขแก่ตนก่อนแก่ตนให้ได้ก่อนแล้วก็กระจายออกไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย ในช่วงต่มมมอมาเมื่อตัวได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดความเมตตากรุณาต่บอบุคคลอื่นก็ต้องการให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวได้งานเผยแผ่พระสัทธรรมคือมุนกรงล็อกของพระสัทธรรมก็เกิดขึ้นจากยุคพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาจนมาถึงยุค ป, ปัจจุบันทีสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามันก็อยู่ที่การยอมรับนับถือตัวพระสัทธรรมแล้วใครเป็นหลัก นั่นคือศาสนิกนะคือศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ศาสนิกศาสนาไม่มีอะไรนะศาสนาเป็นเป็นนามธรรมศาสนาที่เคลื่อนไหวได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสังคมได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้ก็อยู่ที่ศาสนิกศาสนกเหล่านั้นจะต้องยอมรับนับถือศรัทธาในศาสนาศึกษาประพฤติปฏิบัติสัมผัสผลของศาสนาัก็มุน หมนกันมาอย่างนี้ทีนี้ปัญหาที่รับสั่งแสดงว่าจะเป็นเหตุให้พระสัตวรทำเสื่อมคือหมายความาศาสนาเสื่อมตรงนี้เน้นเฉพาะปัจจัยข้างในนะที่จริงปัจจัยข้างนอกมันก็ทาอะไรไม่ได้แต่เราแข็งจริงแต่ที่าศาสนาเราเสื่อมเนี่ยเพราะข้างในเราอ่อนและบรรด า, าศาสนิกในโลกที่อ่อนที่สุดคือาศาสนาพุทธนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเรา ศาสนาผู้ต <minority ael SM ART> ัวศาสนาอ่อนที่สุดคือถ้าเรามองตอนเทศกาลคริสต์มาสในวันที่ยี่สิบ้านะถ้าท่านสังเกตติดตามข่าวกราวของศาสนาคริสต์หรือแม้แต่หมอฤิษกลางเมื่อเมื่อวานในวันศุ่ยเนี่ยนะฮะที่ที่สวนรณภพเนี่ยนะครับเราเห็นว่าศาสนาคริสต์ศาสนาลาวเนี่ยศาสนามันอยู่ที่ตัวศาสนิกทุกคนหมายความว่าพูดง่ายว่าอยู่พุทธบริษัท แต่ของเร า, าศาสนาไปปล่อยให้อยู่ที่พระคล้ายกับพระจะเป็นตัวแปรให้าศาสนาเสือ่อมหรือาศาสนาจเจริญเกิดเรื่องยันตระก็รูปเดียวาศาสนาสุดวบเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยจริงๆนี่แสดงว่าตัวาศาสนิกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบศาสาศน า, สาศาสนานื้อก็ไปอยู่ที่พระสงฆ์ไปอยู่ที่วัดพวกคริสเราลองสังเกตว่าในเทศการคริสต์มาสเนี่ยไม่มีนักบวชอ อ, ออกพูดเลยนะชาวบ้านทั้งนั้นเลย รตบ้านแถวนั้นแล้วก็เด็กหนุ่มเด็กสาวคนคนที่กำลังโดดเด่นอยู่ในสังคมเนี่ยออกพูดออกเผยแพร่าศาสนาอิสลามก็เป็นอย่างนั้นนะให้เราสังเกตนะฮะไม่ใช่ท่านตัวจุลาและราจงรียออกไมก่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยก็ออกมากออกมาแสดงตัวปริยัติถ้าเราเรียกแบบพูดก็คือปริยัติปฏิบัติเดียวูก็คือปริยัติปฏิบัติเพราะงั้งนตรงนี้คือจุด จุดที่เราเห็นว่ามันต่างกันมาพระพุทธเจ้าวางไว้ที่พุทธบริษัทแต่เอาก็จึงทำไปตำมามาอยู่ที่วัดหมดใกล้ๆกับพระเป็นตัวศาสนาทาั้งๆที่พระก็คือหนึ่งนั้นเองหนึ่งในเสาที่คำยันรัศาานาสองมีสี่เสานะทุกวันเหลือสามเสาที่จริงก็คือก็คือสี่เสา นี่คือความคือความสับสนทางศาสนาเพราะฉะั้นบทบทเรียนตรงนี้ถ้าเรามองในประวัติศาสตร์นี่เราจะชัดมากกว่าศา ส, สนาพุทธเจริญง่ายแต่เสื่อมง่ายคอมมอนิสต์เกิดวูบเดียวนะฮะจำนวนศาสนิกื่นลดลงมาจากพ500รอยเหลือห้ารอยลดไปตั้งพันหายไปไห น, นเป็นคอมมอนิสต์นะศาสนาอื่นลดไหมศานมนะสนาอื่นไม่ลดเลยนะฮะศาสนาอื่นไม่ลด ลดนิดหน่อยนะฮะลดๆก็ก็ไม่มากคือหมายความว่าจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นสาสนิกที่เพิ่มขึ้นกับเปลี่ยนไปหรือลที่ขอมนิดเนี่ยมันสัดส่วนมันมันไม่มได้ห่างกันเราจะเห็นว่าตัวเลขของคริสต์กับอิสลามมีแต่เพิ่มก็มรอมีแต่ลดนี่คือตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่ที่มันมันพิสูจน์ตัวมันเองเลยนะฮะ ว่านี่คือความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะคือข้อจริงเลยท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่เอาศาสนาไปไว้ที่คนเอาศาสน า, าไปไว้ที่วัดในคัมภีร์ในตู้ในอะไรต่ออนะไรเนี่ยพอพอคนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติศาสนามันก็ไม่ไม่ออกมาไปรู้ประธรรมศาสน า, าไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวศาสนาก็ตาย ศาสนาก็อยู่ในตู้สนาก็ตายเพราะฉะนัพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าหัวข้วอสําคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าพุทธบริษัทเอาพุทธบริษัทเน่นะฮะวิปัสังสีคือภิกษุภิกษุณีพระศพพระสิกส า, า, กาไม่เคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะอไรเพระการเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าเนพราะฉะั้นเป็นตัวเพิ่มพูนศรัทธาปัสสะขึ้น ยอมรับสถานะภาพของพระพุทธเจ้ายอมรับพระองค์เป็นศาสดายอมรับเราเป็นสาวกอันนี้คือเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่หมายความว่าคำพูดตรงนี้ท่านๆนึนนนนกออกฮะตอนอุรุเวลากัจจปะที่ไปพระเจ้าเสด็จไปโปรดทิรัตทิวันสวนตาณนุม ทีตั้งหลายเกิดสงสัยว่าอุรูปิละกัสปะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครใครเป็นาศาสดากันแนะ่รูปิระกัสปะแสดงให้คนตั้งหลายเขินและประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอมรับว่าเราสาวกะคือผู้ฟังนะนะสาวกะคือผู้ฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเมื่อเรายอมรับศาสนาภาพตรงนี้แล้วมันก็จะนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความเคา ร, ทรพรรทรุ่ดูดพอเคารพทุ่ดูดเนี่ยก็จะเชื่อฟังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนสั่งสอนพอเชื่อฟังแล้วจะปฏิบัติแล้วก็หมุนแหละสิ่งนก็หมุนได้แล้วเห็นไหมปรายติปฏิบัติเปรีเวรมกันเด่น ที่ตอนตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมันมีปัญหาว่าในยุคที่ศาสนาเสื่อมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสัพท์ธรรมเนี่ยพูดง่ายว่าพระพุทธเจ้ า, ราพระธรรมประสงประรัตนไตรเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็คนไปให้ความสำคัญแก่แก่เรื่องอื่นเราลองลองสังเกตว่าที่เสื่อมไปจากประเทศอินเดียบทบาทพระพุทธเจ้ากลายเป็นบทบาทรอง คนอื่นนะฮะเช่นเช่นทวกนาคาราิชุนเช่นอารยะเทพเช่นวัสุพันธุอยงเนี้ยมันกลายเป็นโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเหนือพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระพุทธเจ้าองค์ที่สองแต่บทบาทจริงๆที่คนยอมรับรับถื่นกันจริ ง, รงๆก็กลายเป็นศาสด า, าศาสนามันก็แตกแฉกแฉกแกหมดเลยคนศาสดา ก, กันก็คือคนศาสนากัน การจะร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษารักษาพะศาสนามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะันกองทัพอิสลามที่เข้ามาเพียงเจ0ดร้อยกอง็ดรอยม้านะฮะคนก็คงไม่เท่าไรทำลายศาสนาพุทธที่นาลรันธาได้นั่นคือแบบอย่างเลยเป็นตัวอย่างบทเรียนในอนดีตว่าสิ่งที่ทรงแสดงไว้นั้นจริงคือพุทธศาสนพุทธบริษัทของเราเนี่ยไม่เคารพหนักแน่นไหน ในรู้แต่เย่อในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะถ้าเราเคารพหนักแน่นจริงๆว่าเรามันก็หนูลเล็กๆกันนะนะเราตายเมื่อใดก็ไม่เป็นแปลกอะไรมเราก็ตายอยู่แล้วตายเร็วไปหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตายช้าไปหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรคนจะพร้อมพิทักรักษาพระศาสนา เราดูทว่าศาสนาพุทธจริงไม่ใช่ศาสนาต่อสู้ในแนวนั้นนี่ย น, นะฮะไม่ในแนวของการเผยแผ่แบบอุตรุดจะสู้กันฆ่ากันตายเยอะอย่างบางศาสนาเนี่เราไม่ได้เผยแผ่แนวนั้นแต่ว่าพอเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยคนเราไม่หนักแน่นในตรงนี้พร้อมจะเปลี่ยนศาสนาเพราะเหตุของชีวิตเพราะเหตุของทรัพย์สินเพราะผลประโยชน์นะบางทีเพราะผลประโยชน์ตนเองที่ลังกานะฮะที่ลังกาก็ดีที่เวียดนามก็ดี ศาสนาเสื่อมเนี่ยเพราะพวกนี้เขาให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินโปโตเกตเข้ามาก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินผ่าลังกาเป็นสามประเทศเกาะเล็กนิดเดียวนี่เมืองหลวงสาเมืองนะฮะผ่าไปเป็นสามเมืองเลยมาจนถึงสมัยฮอลันดามันก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินอังกฤษก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้เงินศาสนาพุทธก็เสื่อมจากลังการ่วมยุคกับสรุงเสียยุทธยาเรานะนะ จนทั้งประเทศเหลือเ น, นรูปเดียวที่เราต้องส่งไปช่วยเมื่อสมัยพระเจ้าอยู่ปรมาจโกรประเทศเวียดนามก็มีลักษณะอย่างนั้นสมัยเนี้ําัยโงดินเดียม น, นี่แหละก็ให้ยอดห้ตยตแหน่งถ้าเธอเป็นพุทธเนี่ยเธอไม่ได้ตําแหน่งสูงเงี้ยนเกากีเป็นเป็นพุทธนะฮะต่อมาแต่แกข้ารีดเป็นคริสแล้วก็เป็นนาวะเอกปนปนเอกอายุยังหนุ่มมา นี่คือคือคือว่าเราพ่ายแพ้ต่อต่อลาบยศสเสริญต่อโลกธรรมพวกแงเราพ่ายแพ้ต่อโลกธรรมทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าแม่จะเรียงไว้เยอะนะฮะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงใจสิกขาการปฏิจจานฐานความไม่ยประมาณแต่สรุปแล้วเนื้อหาหลักก็คือว่ามันมาจากพระพุทธเจ้า พิชาเป็นผู้สจรุปซึ่งพระธรรมเราไม่เคารพหนักแน่นในประธรรมธรรมะจะถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะรักษาหลักการที่ถูกต้องคือประธรรมเอาไว้ธรรมะก็ถูกอธิบายไปเพื่อผลประโยชน์มีการอธิบายธรรมะเพื่อตัวเองเยอะเลยหมายความมาถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราก็กลายเป็นคนได้ประโยชน์แทนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะฮะการสอนธรรมะการปฏิบัธรรมะ ผู้ผู้ฟังเป็นผู้ได้ประโยชน์ผู้ฟังต้องได้ประโยชน์จากธรรมปฏิบัติเราจะเห็นว่าโครงสร้างในการเผยแผ่ที่ทรงวางไว้เธอทั้งหลายจงเที่ยงจริษยาเพื่อประโยะนชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อสาวโลกกันว่าเพื่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าเราเผยแผ่ธรรมะเพื่อเป็นกลุ่มผลประโยชน์หมายความว่าตั้งตัวเองหาประโยชน์จากธรรมะ มีความเคารพนับถือลบาบสักการะชื่อเสียงอะไรแต่ะต่างมาปลนปลือคนแทนที่จะเผยแผ่ธรรมะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันโกไปมากในในส่วนองการเป็นการเกาะกลุ่มของผลประโยชน์ทั้งหลายพระทําเองก็เกิดความสับสนในการอธิบายและเราลองสังเกตว่าธรรมะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะไปอธิบายไปดูหนังสือสักสีาเล่ม และจะ อ, อธิบายไม่เหมือนกันอธิบายไม่เหมือนกันโดยวิธีไม่แปลกนะเพราะจริงๆแล้วเราอาธิบายทุกแนวไม่ได้หรอกถ้าปฏิบัติตรงกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางทีปฏิบัติไปแล้วมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันตามที่ครูเจ้าสงแสดงเอาไว้เช่นว่าปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันเพิ่มขึ้นเราก็หาคําตอบไม่ได้นะหาคําตอบไม่ได้ว่า ทำไมจึงสอนอย่างนั้นนอกจากว่าเราไม่เคารพต่อพระสัจธรรมพอพระสัธรรมตรงไหนที่ขัดแยง้งความเห็นของตนก็ปฏิเสธตัวพระสัทธรรมจนมีการพูดกันว่าพระไตรปิฎกเป็นของเก่าหลอกกันเลอะเลือนหมดแล้วอันนี้คือปฏิเสธบททั้งโครงสร้างพราไตรปิฎกผลก็สับสนหมด เขาใส่บิดกไม่ใช่มือธรรมดาก็ทำนะมือระดับพระอาหารหันต์ก็ทํามาเนะี่ยเราไม่เก่งเกิ น, นนั้นเนาะเพราะท่านว่าอย่างไงก็คือคืออย่างนั้นแต่เพราะเราขาดความเคารพหมายความสําคัญในพระธรรมหรืออาศัยพระธรรมเป็นเครื่องมือในการแสดงคามประโยชน์หรือแม้แต่แต่พระพุทธเองนะฮะเราเห็นว่าเวอรนี้ก็เทิดทูนในรูปของวัตถุมงคลมไม่ใช่เทิดทูนในรูปของศาสนา อาศัยขายพ่อกินกันเนี่ยนะอาศัยขายกันไปเรื่อยๆแล้วคนเหล่านี้ก็ร่ำรวยร่ำรวยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะในสังคมจนก็มีปัญหาเนี่ยวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะไรต่างรเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ถูกมองในฐานะเป็นศาสดาที่เราจะต้องเคารพเทิดทูนสักการบูชาและพยายามปฏิบัติสัมผัสคุณของพระองค์ เดืต้องการจะหาประโยชน์จากพระองค์เอาหลวงพ่อก็แยกแยกหลวงพ่อไปหลวงพ่อดังๆเห็นอามานั่งรถผ่านไปต่างๆตอนนี้ทางลงมาต่างๆีสร้างหลวงพ่อจำลองห้ารูปเนี่ยประกาศมาทั้งหลายปีอยู่ริมถนนสร้างทุกปีเลยรู้สึกจะอะไร ว, วัดสสธรวัดบ้านแหลมวัดไร่ขิงวัดเขาตะเคร า, าว ว, รวัดไรองค์อะไรองค์ะครับ ก็มีพระห้าองค์นะเพระพุทธรูปองค์เดียวนั่นเองพุทธรูปคือรูปปฏิมาของพระพุทธเจ้าทําไมมีมากมายอย่างนั้นก็ไม่รู้นี่คือเราจะเห็นว่าก็กลายเป็นจักรวรรดิกลายเป็นสร้างขึ้นมาเป็นจักรวรรดิแทนที่จะเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าโดยรวมพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านี่ยกลายเป็นไปตั้งไปหลวงพ่องนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องกันะหาประโยชน์มากกว่าที่จะเน้นไปในเรื่องของพุทธคุณ พระสงฆ์เองอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นตัวแปรมาทุกยุกทุกสมัยเพราะว่าคนไปคิดว่าพระสงฆ์คือศาสน า, ศาเป็นความคิดที่พลาดมาตั้งแต่ตนตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนแล้วนะฮะตัวเองเคยบวชเคยเรียนแล้วแล้วพ่อตัวเองก็เคยบวชเคยเรียนแล้วว่ามันไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดอะไรเป็นการบวชเพื่อฝึกปลือคนนั้นเองศาสนาเป็นที่ฝึกปลือคนนั้นเอง แล้วเมืองไทยเนี่ยฮะบวชร้อยรูปก็สึกไปเก้าสิบห้ารูปอย่างอย่างน้อยด้วยท้ำไปนะเอามาว่าสึกถึงเก้าสิบเจ็ดเนี่ยเหลือไม่เกินสามะจากการสังเกตมานานว่าเหลือไม่เกินสามร้อยเนี่ยเหลือไม่เกินสามะก็แสดงว่าไปที่ฝึกปลืกคนแล้วคนที่ฝึกด้วยเกณฑ์ขนาดนี้ไม่ได้ในี่เยอะนะเขาก็สึกไปเพราะว่าเราจะเกณฑ์ว่าพอท่านบวชปับแล้วบริสุทธิ์หมดจด่มันเป็นไปไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามบุชิภาวะในด้านต่างๆอายุอนันนามลักษณะาทางสังคมที่จริงพระพิสุสามเณรก็คือการเลื่อนไหลของคนในสังคมมันไหลผ่านเข้ามาในวัดเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ทะลุ ก, กำแพงอีกด้านหนึ่งออกไปนอกวัดเข้าหน้าวัดก็ออกหลังวัดนี่นะมันก็ไหลามาอย่างนั้นแต่นีพ้พอเราไปมอง จ, จุดนี้เข้ามาก ตรงนี้เลยกลายเป็นจุดที่กระเทือนถึงพระพุทธธรรมเราก็ไปให้ความต้องการแก่กพระสงฆ์ว่าเป็นพระศาสนาตรงนี้จะต้องพยายามชี้แจงเยอะนะถ้าไม่งั้นต่อไปนี่จะเป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะพื้นฐานอย่างที่ให้ข้อสังเกตแก่โยมเอาไว้นะดูตัวอย่างกีฬานี่ก็ได้ดูตรงไหนก็ได้กีฬาที่เขาเล่นที่เขาโฆษณาอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอะไรสีเกมหรืออะไรเนี่ยนะลองสังเกตกีฬาเป็นทีมนะ กีฬาเป็นทีมนี้ถ้าเชียะต้องเชียะตั้งทีมเลยไม่มีใครเป็นดาราหรอกฮะมันเป็นการช่วยกันนะแต่มันจะเชียะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนั้นเวลาทําดีในเราจะเชียะคนเดียวนั้นคือผิดพลาดที่สุดมองจากฟุตบอลมองจากอะไรบาสเกตบอลมองจากอะไรตะกร้ออะไรอะไรตีก็เล่นเป็นทีมเลยนะทุกคนมีความต้องการเท่ากัน แล้วก็ช่วยเสริมถึ่งกันและกันแต่แปลกนะฮะเวลาแพ้ก็ด่าหมด ท, มดะะทดมดั้งทีมเลยนะฮะเวลาแพ้ด่าหมดทั้งทีมเลยฟุตบอลไทยแพย้เนี่ยเรียกว่าเข้าวเมืองไทยเกือบไม่ได้เลยมันด่าหมดทั้งทีมก็เวลาชนะทําไมเธอไม่ไม่เชียดทั้งทีมทําไมเธอเลือกเชียดเวลาแพท้ทําไมเธอเธอเธอจึงด่าหมดนี่คือความลําเอียงของสังคมสังคมไม่เคยคิดประเด็นนี้เลย พระชาคมนั้นมีอคติเพราะฉะภาพของอคติตรงนี้เวลามองพระก็เหมือนกันเวลามองพระดีนั้นจะเลือกมองเอามององค์เดียวดีองค์เดียวแต่พอพระไม่ดีประด่าหมดทั้งประเทศดีไหมไม่ดีขึ้นมุมไหนก็ไม่รู้พระนิกรไม่ดีก็ไปด่าหมดพระถึงนาราธิวาสเลย นี่คือลักษณะสังคมเอยียงเพราะฉะนั้นตรงนี้ เ, เลยเลยกลายเป็นจุดถักเขที่มีความสําคัญว่ามันจะไปกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าประธรรมและกระเทือนถึงพระสงฆ์เพิ่งรู้เมื่อคืนนะฮะผู้ใหญ่ท่านเล่าไม่ใช่เมื่อคืนตอนตอนตอนเย็นจะครับนะไปที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งมาใหสมาคมท่านเล่าฟังพระเจ้าคุณรูปหนึ่งก็ชื่อขึ้นต้นว่าภาวนา แล้วเกิดรังเกียจชื่อคำว่าภาวนาขึ้นมาขอเปลี่ยนชื่อตัวเองนี่ก็แสดงว่าเกือบบ้าไปนะฮะอันนี้คือนอกเรื่องกับมากมากนอกเรื่องกัมากมากมันไม่ได้เกี่ยวเลยภาวนานั่นเป็นชื่อพระนามของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าภาวนาสมถภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนานเป็นคำในตรงท้ายบ่อยที่สุดเลย อบรมกระทําให้มากกระทําบ่อยๆกระทําจนติดเป็นนิสัยนี่เรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาเป็นตัวหลักธรรมะนะฮะหลักธรรมะที่ปฏิบัติที่สรุปแล้วก็คือภาวนาภาวนาก็คือใจติขานะฮะเราเกิดรังเกียจคาว่าภาวนาเกิราก็แปลกนะครับถือว่าแปลกข้อต่อไปคือตจติขา เด่นไมมมัน ม, น ม, นมนัจุดอ่อนมันไปอยู่ที่พระสงฆ์เป็นความเข้าใจผิดเป็นความลงผิดพอเราไปไปไปเกิดรังเกียจตรงนี้ขึ้นมาแลว้วก็เกิดไปรังเกียจตัวใจสี่ขาคือสีสมาธิปัญญามองใจสีข่ขาคล้ายๆกับไม่ได้ผลทางเด็กเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาตั้งนานแล้วนะฮะพิสูจน์ตัวเองมาตั้งนานแล้วสามารถสร้างสารรค์พัฒนาสิ่งดีงามต่างๆขึ้นมาได้มากมายในโลกเนี่ย มันก็อยู่ที่คนปฏิบัติในใจสิกขาแต่โดยอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําให้ก็ปฏิบัติในใจสิกขาเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติที่จริงคือใจสิกขาตัวพระธรรมเองก็คือใจสิกขามันก็รวมอยู่ที่ใจสิกขาพระเจ้าเองเป็นสิกขาที่สมบูรณ์เป็นใจสิกขาที่สมบูรณ์พระธรรมนั้นก็คือตัวใจสิกขากับใจสิกขาก็คือตัวใจสิกขาอีกนะ พระสงฆ์เองนั้นคือผู้พยายามปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาได้มากบางน้อยบางก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นโดยพื้นฐานในขณะนั้นในขณะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยปุจ้าจรงทรงกําหนดความรู้สึกที่เมตตาไว้ถ้าเราศรัทธายังไม่ได้ก็ให้เมตตาไว้เห็นไหมมันไปได้แต่ถ้าศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเมตตาก็ไม่เมตตาทีนี้ไปเลยอารวาสเลย แล้วว่าก็ไปกระทบต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกระทบต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ใจจิคตคาประการต่อไปคือการปฏิสันทานคนไม่เคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถานคำว่าปฏิสันทานนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการเอื้อเฟื้อต่อบุคคลทั้งหลายการต้อนรับตามรูปแบบพิธีกรรมปลุกน้กําลุก ก็นำท่าตอนรับปลาัยแนวยาศัยเมตรี ต, ต่างๆนะก็สายหนึ่งอยู่สายหนึ่งนั้นก็คือการยกจ้องคนตามหมดตาม꾼แก่ฐานานรุรูปแต่เราตึงกล่าวทาแนะนำทมบอกชี้แจงธรรมะให้ฟังเรียกเรียกรงรวมธรรมะปฏิสันต ร, รเป็นการเปิดใจกว้างยอมรับนับถือคนอื่นคือโครงสร้างพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า วันก่อนไปอบรมพวกเจ้าคณะจังหวัดคือเตือนสติท่าน น, นะนะมองไปมองมาเนี่ยพวกนักบวชังชักจะหนักกว่เพื่อนเนี่ยนะคือนักบวชกลายเป็นครับแคบเราเห็นว่านักบวชในาศาสนาต่างๆนี้ไม่ค่อยสื่อสัมพันธ์กันเลยไม่ค่อยไปมาหาสู่ไม่ค่อยประชุมร่วมคิดร่วมกิจกรรมแต่ว่ า, ช า, ช, าวชาวพุทธชาวอิวสลามก็เป็นเพื่อเป็นฝูง เ, เ, เ, เ, เป็นสมานสามัคคีกันได้นักบวชทํำไมยังเป็นไม่ไ เาสมาเคยประชุมร่วมกับพวกคริสต์พวกอิสลามเนี่ราก็คุยประเด็นนี้กันเนี่ยนะคุยประเด็ น, นมันแปลกนะมันแปลกนะเอาไปเอามานักบวชเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกไปความคิดคามเหตุพฤติกรรมของนักบวดรู้มีนกันรู้นกันแล้วก็นําไปสู่แม่นาไปสู่ความไป็นเมรเป็นเขามากจริงขึ้นของเราเนี่ที่จริงใครมาก็ได้นะวัดพุทธใครมาก็ได้ แล้วพระเจ้าวางไว้เนี่ยพระเองหรือพระเจ้าเองเดียวพบบ่อยไปสู่เด็ดไหมพระเจ้าไ ป, ป, ปเยี่ยมเยี่ยมนักบวชตรงนั้นตรงนี้นักบวชต่านั้นมาเยี่ยมเราพุทธเจ้าภาษาดิบุตรไปเยี่ยมนักบวชอะไรเนี่ยเขาไปมาหาสู่เขาคุยกันเขาติดต่อกันตลอดแต่เราเราปฏิบัติมารุ่นหลังกลายเป็นเรื่องแปลกไปว่านักบวชในาศาสนาต่างๆเนี่ ย, ยมันน่าจะจะพบปะสนทนากันตัว อิสลามเนี่ยมาเคยคุยกับพวกพวกพวกอะไรพวกฮันยีพวกพวกอะไรเนี่ยนะเคยคุยกันแต่ว่าตัวโตวจริงๆก็ยังไม่เคยคุยกันแต่พวกคริสต์นี่คุยกันเยอะฮะพวกพวกระดับที่เขาเรียกว่าสังฆรงสังฆ ร, ราชก็เคยคุยเคยประชุมกันแต่เวลาเราเจอกันก็อัตยาศัยดีนะมีมิตรมีตี ด, ดีแต่ว่าโครงสร้างสังคมนึถือว่าเป็นเรื่องแปลกท่านเหล่านี้ที่จริงเป็นผู้นํา เป็นผู้ชีน้นำความคิดสังคมถ้าหากว่าสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกันได้นะเป็นหนึงน่งเดียวกันได้มันก็จะช่วยอะไรดีขึ้นได้ยอนั่นคือแนวขาดการปฏิสันฐานาการปฏิสันฐานคือขาดความมีน้ำใจขาดการยอมรับนับถือกันและสุดพวกก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นปฏิกะคือมันงุดงิดมันรำคาญมันรังเกียจ แล้วกลายเป็นการยกตนข่มท่านนะดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านนะ่ยมันไม่ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาคือปัญหาสําคัญว่าแต่ละคนนั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติพัฒนาตัวเองนี่เป็นพื้นอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นสากล น, นะฮะก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเพิ่มปีเลดดูยังไม่มีอะไรเนี่ยมาว่าเฉยดีกว่า อุเบกขาวไว้ดีกว่าไปถ้าไปแสดงความรู้สึกในแนวที่รุนแรงอะไ ร, ะะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาตมาที่เขียนหนังสือเรื่องคิดเยอะที่ ท, ท, ที่ที่เขาว่า ท, ท, ที่จริงไม่ได้โกงเครื่องไ น, นะฮะมาเขียนหนังสือพวกบาทหลวงพวกอะไร อ, อะไรมานั่งคุยกันที่กุฏิมานั่งคุยกันเราเขียนเสร็จเราก็ส่งไปเขาอ่านเราอ่านดูทีม่มันมันมันมันมันอะไรบ้างไหม เราเราจะพูดในเชิงวิชาการแต่เราเราไม่ใช้เหตุผลส่วนตัวในการในการไปต่อสู้หักล้างคือไม่ได้กดเครื่องอะไรนะฮะไม่ได้กดเครื่องอะไรกันเป็นการชี้แจงในทางหลักการในทางในความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นประมาทไม่เคารพในความไม่ประมาทอันนี้คือจบไปนะความว่าความประมาทเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญที่นี้ถ้าคนตกในความประมาท มันก็ทิ้งหมดพระพุทธเจ้าประทรับผสมก็ทิ้งหมดเพราะว่าคำสอนส่วนหนึ่งเราจะพบว่าตอนก่อนจะเสด็จเดัดเขันทามิพันธงก็มาสรุปที่ความไม่ประมาทคนกลายเป็นคนประมาททอดทิ้งละเลยเรื่องศาสนาจนอาตมามองอยงเมื่ อ, อวานและเมื่อเช้าก็ยังนั่งคิด มันเกิดไปคิดว่าเอไอไวัดเนี่ยบางทีเราสร้างขึ้นมาคือคไปวัดไหนพยายามถามนะอยู่กี่องค์อยู่ห้าองค์โอ้วัดมากมายแต่ก็ อ, อาคารสถานทานี่บรนจัยตัวโมราลนี่ใช้จ่ายไปล้านล้ามันอยู่กันแค่ห้าๆๆองค์ไงเงี้ยมันไม่คุมม้มอ่ะแล้วคุณมาทํำยังไงมันคุ้มขึ้นมามันต้องคิดใหม่เลยนะหมายความมันต้องคิดกันใหม่ละ เพราะสภาพสังคมที่ประชากรเพิ่มขึ้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเนี่ยมันว่าจะติดตามมาเยอะเลยแล้วถ้าคนกลุ่มหนึ่งบริโภคมากบริโภคมากจนเกินเหตุไปจนสังคมรู้สึกว่าถูกรัฐเอาเปรียบเนี่ยอันตรายอันตรายมากว่าทํำยังไงวัดเนี่ยมันมันมันจะต้องต้องเป็นที่ที่ไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่ต้องออกไปด้วยต้องเกื้อกูลแก่สังคม แล้วออกมาในสายของตัวเองนะฮะเป็นหลักสายการสาน ก, การเผยแผร่ตำโครงสร้างเดิมของพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นหลักในตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะให้พระสัทธธรรมดำรงอยู่ได้นะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเ ก, กืชนทั้งหลายทีนี้ในภาคตรงกันข้ามที่พระกิมมิลาท่านถามพุจจ้าก็สงแสดงถึงว่าศาสนาพระัทธรรมากับพระสัทธรรมก็คือพระพุทธศาสนานะฮะ จะดํารงอยู่มั่นคงหลังจากเราไปนี้ผ่านไปแล้วเมื่อไรก็ได้นะฮะว่าที่จริงนี่มันไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาอะไรศาสนาจะเสื่อมก็เสื่อมเร็วนะจะดํารงอยู่ก็ดํารงได้โดยโดยโดยไม่เสื่อมเลยก็ได้นะโดยไม่เสื่อมเลยก็ได้ถ้าคนอย่างมั่นคงอยู่ตรงนั้นบทบาทของศาสนาตัวศาสนาตัวตัวศาสนามก็ไม่เสื่อมไม่จเจริญอะไรแล้วนะแต่หมายความว่า เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไปมีบทบาทร่วมในการดำเนินชีวิตของคนเดี๋ยวเราลองสังเกตว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันการกอโกยตักตวงการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนทั้งหลายเมื่อเช้าเนี่ยวางรายการสยามานุสติที่เขาโคตรประโยคประโยคสั้นๆของผลเอกเปลมาก็คมนะฮะ อาจารย์บอกว่าคนร่ำรวยเวลานี้เก็บสะสมเงินไว้จํานวนมหาศาลาทั้งที่คนร่ำรวยเหล่านั้นก็คือเป็นคนจนมาก่อนแต่กลับทอดทิ้งคนจนแล้วคนจนเหล่านั้นที่จริงก็คือบรรพบุรุษของคนที่ร่ำรวยรเพราะนั้นาขอให้คนร่ำรวยอย่าทอดทิ้งคนยากจนการที่โดนขุนขวายแสวงหาตรงนี้ ถ้าคนไปทิ้งประตูประสาทธรรมนะฮะเราเห็นเวลานี้อันตรายแล้วเราก็เคยไปไปปรารภมีมีข้อมู ล, ลต่างเยอะเวลานี้วัดเองเนียถูกรุกแล้วนะฮะวัดเองนี้ถูกลุกลบองอากกทงทีไปขวางชี่เขาข้างข้างข้างหลังก็จะทํารีสอร์ทเขาทำสนามกอล์ฟวัดไปขวางตรงนั้นแล้วเขาต้องการที่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็พระก็โดนพระโดนใส่ร้ายพระโดนโอ้โหเล่นแรงมากเลยทั้งจ้างเงินทั้งส่งคนเข้าไปทั้งทำสารพั คนเดนิจัยฮารูโคะมากนะไม่ใช่ค่าช้างเอางาอย่างเดียวนะจะค่าพระเอาที่ดินด้วยนะไม่ใช่เล่นนะนี่คือแสดงเห็นแหงความตกต่ําตกต่ําทางจิตวิญญาณของคนพร้อมจะทําทุกอย่างเลยพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่แสดงให้เห็นว่าพระศธรรมเองอยังอยู่แต่่แตคนใจไม่มีศรธรรมอยู่ภายในใจ ความเดือดร้อนปนัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วถ้าท่านลองสังเกตที่ประท้วงที่กันตังเธอเดงถึงความไม่มีเหตุผลมาและมาว่าถ้ารัฐบาลนี้ปล่อยไอ้พวกนี้ไว้ไม่จับกลุ่มมาดําเนินคดีถือว่าบ้านเมืองจะไม่มีหลักเกณฑ์เลยแล้ววันหลังก็จะจะไปเที่ยวจังหวัดตังทุกวันอยาาโอกาสเทศที่ตังทุกวันมันไม่ได้เลยนะฮะ มันตั้งกฎได้ยังไงว่าให้ย้ายนาอำเภอให้ให้ปลดคนนั้นคนนี้แต่ว่าของเขาต้องไม่ผิดนาอำเภอไม่ประกอบอัญากรรมอะไรตัวเองประกอบอาญากรรมเผาบ้านเผาเมืองเขาอะแล้วจะไม่ผิดอธิบดเคยเตือนตั้งแต่ตั้งแต่นั้นอะว่าอย่าให้มีหนึ่งถ้ามีหนึ่งมันมีสองนะหนึ่งอะไรหเหตุการณ์ก่อการก่อารจลเมื่อสามสิบป้ายนะไม่ผิดหมดเลยาะไม่ผิดไอ้พวกกันทางอ้างนะ วัทีตอนสามที่ผ้าทำไมไม่ผิดอ่ะทําไมเขาผิดอ่ะธาตุที่กันตังไม่ผิดอีกวันหลังก็นึกนกนึกสนุกสนุกก็เผาอะไรกันเล่นเล่นไม่ได้ก็อ้างอ้างกันตังไปอ้างที่กรุงเทพไปเห็นไหมบ้านเมืองมันจะไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนั้นคือใจคนมันไม่มีหลักของพระศาสรามันไม่ใช่พระศารรมไม่มีแต่หลักเกณฑ์ตรงนี้จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องรักษาไว้ถ้าไม่งั้นหนึ่งสองสามมันมาแล้วยุ่งกันตายเลยนะ ยุ่งเงินตายนะีแม้แต่คําสั่ง 66, 66ทับ2 3เราก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะเมื่อคืนลองดูข่าวที่พวกฆ่าคนเคยเคยยิงทหารเคยอะไรแต่ไรที่เขามามอบตัวนะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นคือคําสั่ง66ตกลงว่ากลายเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ฆ่าคนได้ฆ่าคนได้แล้วออกมามอบตัวแล้วก็เรียบร้อยเลิกแล้วต่อกัน มันกลายเป็นจารีดใหม่ขึ้นมาในสุดคนดีนี่จะเดือดร้อนคนชั่วก็ได้โอกาสแต่คนดีจะเดือดร้อนเพราะันกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมจำเป็นจะต้องจะต้องรักษาวไว้เพื่อปิดการไม่ให้มีหนึ่งมีหนึ่งไม่ได้มันมีสองมีสามมี ส, มมสี่ก็มีมีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ฉะนั้นการดารงอยู่ของอะไรก็ตามเราจะลองสังเกตว่าศาสนาพูทในภาคปฏิบัติเนี่ยศาสนาภาคปฏิบัติคือสรุปแล้วคือใจจิตขษาแต่ว่าต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นเพราะว่าใจติตขานั้นต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นตัวพระธรรมแล้วก็เป็นตัวพระสงฆ์ที่สมบูรณ์นะฮะหมายความว่า เป็นประสงค์ที่เป็นพระยาบุคลทั้ ง, ทงก็เป็นการสะท้อนภาพกังติเตกขาเตกิเกขาก็อยู่เฉยๆเป็นนามธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นนามธรรมพระธรรมเองก็เป็นนามธรรมแต่ว่ามันมันเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมอยู่ที่ใจของพุทธบริษัทก็พุทธบริษัทก็ต้องศึกษาก็เข้าไปสูปธธ่บระษัทธรรมพุทธบริษัทต้องศึกษาต้องปฏิบัติตและจะสัมผัสผลกับพระั ธ, ธรรมแต่การจะศึกษาปฏิบัติก็ต้องมีการยอมรับ ย่ารับใครยอมรับพระพุทธเจ้ายอย่ารับพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยอย่ารับไตรตรีขาความไม่ประมาทการปฏิสันฐานทั้งหมดเป็นพระธรรมทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าที่จริงก็เป็นพระธรรมทั้งหมดถ้าเรายอมรับพูดง่ายว่ายอมรับที่หลวงพ่อเจ้าองเดียทั้งหมดจะต่อเข้ามาอีกห้าหกอย่างนะฮะจะตามมาเองการยอมรับการนับถือการศรัทธา การเชื่อแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติศรัทธาก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้นพระวศัทธรรมก็จะเดินไปได้ทั้ง3ามจังหวะมันจะหมุนได้นะครับพราทำเราจะหมุนได้มล้วก็จะมีการศึกษาเพระาะเราศรัทธาเราก็ศึกษาผูาา้ศึกษาแล้วก็จะมีการปฏิบัติมีการปฏิบัติเราก็สัมผัสผลเราลิ้มรสเป็นสุขเป็นสงบเป็นเจนเราก็ต้องการในคนอื่นก็ได้ได้ แล้ก็เผยแผ่ออกไปกลวงล้อพระธรรมก็บุนคนที่ศึกษาก็คือปริยัติใหม่นะอย่างอย่างที่โยมฟังอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็เผยแผ่โยมก็ศึกษาเห็นนะเสร็จแล้วโยมก็นำธรรมามาปฏิบัติพอยอมปฏิบัติได้โยมก็นําไปเผยแผ่ต่อก็กลายเป็นการหมุนกลวงล้อมุนม่นพระธรรมไปเรื่อยๆประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าผู้ตรบริษัทต้องมีศรัทธา มีความเคารพแก่กล้าสงใช้ยกับว่า <ash> สัต <way> ว <t> ุคารุธรรมคารุนะสัตวุคารุธรรมคาสังเคจะติดประคารวัวอันนี้แปลกมากเลยใช้คําแปลกมากสัตว์คาุมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าธรรมคารุมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมสังเคจะติดประคารวัวมีความเคารพแก่กล้าใช้คําว่าแก่กล้าเลยมีความเคารพแก่กล้าในพระสงค์ แล้วก็มีความเคารพแก่กล้าในใจสิกขาในศีลในศีลสมาธิปัญญาเมื่อความเคารพแก่กล้าเกิดจากพระพุทธเจ้ากเขาก็กกกเดินไปใ น, ใ น, ในการศึกษาการบรรัตการเผยแพร่ก็จะติดตามมาเกือ้อมนุนประโยชน์สุขให้แกค่คนคนก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมวันก่อนกลางกลางดึกแล้วไม่ทราบใครนะฮะมีปัญหามาบ่อยๆบางทีดึกท เช่ยงคืยัมีปัญหานะ ก, ก็ขยันถามเราก็ขยันตอบเนี่ยก็เขาถามว่ารักษาศีลแปดเนี่ยจับต้องผู้ชายได้ไหมากาบอกก็ได้แปลรอกอะไรหรอกอย่ามีเพศสัมพันธ์ ก, กันแล้วกันแกบอกไม่ได้ลวงพ่อบอกไม่ได้ก็ลวงพ่อคุณไปเรียนมาจากไห น, นคือคือเราต้องต้องเข้าใจนะฮะว่าธรรมะเนี่ย เป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มอันนี้ก็เรียกศีลเรียกวินัยนะแบ่งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เรียกอาคารยวินัยวินัยก็ชาวบ้านวินัยชาวบ้านชาวบ้านคือชาวบ้านชาวบ้านคืออยู่บ้านชาวบ้านอยู่บ้านนะนอนวัดเนี่ยไม่มีสมัยพุทธกาลชาวบ้านคืออยู่บ้านอยู่บ้านก็มีลูกมีมีมีพันยามีสามีภาระอื่นไปเลิกไม่ได้นอกจากมีเพศสัมพันธ์่นั้นเองที่เว้นนะนะ ถึงก็มีลูกมีหลานก็ต้องอุ้มลูกกุมหลานลูกหลานมาขี่ตักมาขีข่คอมาต้อนรับดังนั้นนะฮะไม่ใช่ปัดมือตวาดแปดนะ๊ดแป๊อะอย่างนั้นก็เสร็จแต่ลูกหลานเพลิดหมดเลยมันไม่ได้เหรอนะอธิบายอย่างนั้นไม่ได้คือแสดงว่าพูดเราเองพูดเราเองโดยไม่ได้ดูหลักไม่ดูหลักที่ไปที่มาแม้แต่คําว่ามนุษยธรรมนะฮะเราเห็นว่าเราพูดเราเองเยอะเลย ไม่มีใครเคยไปเช็คดูว่าที่พระพุทธเจ้าสแสดงนี่คืออะไรมนุษยธรรมเราพูดเราเองไง พ, พระเพรเกษตรว่าเอาเองไงแต่พระพุทธเจ้าสแสดงเนี่ยในอัตตกถานะฮะในพระคำบีแสดงบอกว่าบาลีชัดเลยดสกุลละกรรมปถามนุษธรรมนานามะมนุษธรรมกุศลกรรมบทชื่อว่ามนุษยธรรมบอกไว้เลยก็แสดงว่า คนที่ประกอบด้วยกุศลรับกรรมหมดนั้นเชื่อว่ามีมนุษยธรรมอาจจะกลัวมาทําไมมีทัง้ง10บข้อมันไม่แปลกอะไรฮะที่จริงมีข้อเดียวแต่เนีคือสมาธิอีกอย่างเออไม่มีกิ่งก้านสาขาของสมาธิทิแต่นั้นเองแสดงว่าวมนุษย์ต้องมีความเห็นชอบไม่จะเห็นออกนอกลูก่นอกทางอย่างเนี้ยอย่างอย่างแนวพวกประท้วงทั้งหลายอันมาติดตามเรื่องประท้วงมาตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งหนะครับ ถ้าพยายามจำได้อามาพยายามจำไปสนใจการประท้วงที่อินเดียทำไมไปศึกษากที่นั่น paz. ไม่ไอพวกประท้วงนี่มันเพี้ยนเนี่ยะไปจับไปไะเด็นปท้วงกี่ครั้งคงขอมันเหมือนกันเลยสีห้าข้อนี่การกระทำของเขาต้องไม่ถือว่าผิดถ้านักศึกษาประท้วงถือว่าเวลาประท้วงเป็นเวลาเรียนไม่เรียนนะถือว่าเวลาเรียนแล้วการกระทำผิดเนี่ยต้องถือว่าไม่ผิด แล้วในขณะเดียวกันต้องให้คะแนนเขาคนละสิบคะแนนโดยโดยไม่ต้องไม่ต้องตอบอะไรเล ย, เลยถ้าเป็นถ้าเป็นพนัก ง, งานบริษัททางร้านก็ต้องให้เงินเดือนเขาต้องเพิ่มเงินเดือนเขาแต่ว่าคนอื่นต้องผิดแต่เขานี่สามอย่างนี่ต้องได้เห็นนะฮะประชุมนี้กันตังเหมือนกันอีกเอาสามข้อเดิมนี่คือลักษณะของคนที่ไม่เคารพหนักแ ม, ม่นในเหตุผลมันไม่มีเหตุผล เธอผิดเธอต้องขอร้องอย่าให้ผิดคนอื่นที่ไม่ผิดเธอขอให้ผิดแล้วก็เธอก็บอกว่นนี้คือประชาธิปไตยเห็นไหมมันมันม่วหมดเลประชาธิปไตยคืออะไรราะตัวการจริงๆอยู่ที่สมาธิสมาธิจึงถือว่าเป็นฐานเราจะเห็นว่าการเห็นชอบในพระคุณของพระเจ้าที่จริงก็คือสมาธิ การเน้นชอบในพระธรมเน้นชอบในพระสงค์เน้นชอบในเอกสารที่ยิงมันเป็นสมาธิทิฏฐิเนี่ยเป็นอาการของสมาธิทิฏฐิเนี่ยปัญหาสําคัญว่าความเสื่อมของพระศาสนาหรือความเสื่อมของพระสาธรรมที่เกิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราเห็นได้ชัดว่ามันเกิดขึ้นจากยุคสมัยที่พุทธบริษัทเราไม่หนักแน่นในเรื่องเหล่านี้แล้วก็นึกถึงตัวเองให้ความต้องการแก่ตัวเองมากกว่าพระศาสนา มากกว่าตัวพระศัทธรรมแต่เราลองสังเกตว่าคนที่รักษาศา ส, สนาจริงๆเขาต้องรักษาพระศัทธรรมมากกว่าตัวเองแล้วเขาจะนพาพาศาสนามาได้แม้แต่เรื่องของวัดไตบิดกเป็นคำพีนะเป็นคำพีเขาก็รักษาด้วยชีวิตของเขาศา ส, สนาอิสลามเนี่ยคำพีอัานคุรานบางคนเนี่ยรักษาตั้งสองสามร้อปีนะเล่มเดียวนะ ห่อไปอยังดีเก็บไปอยัง ด, งดีชีวิตจิตใจเขาอยู่กันเนี่ยแล้วก็มวกปลูกหมอดอะไรตระกรกัดเยอะเขาก็เก็บรักษาไว้อยังดีแล้วหอวเธอทุนงก็รรักษามากทาให้ศาสนาเขามีแด่ขยายจํานวนสารนี้กุเก็เคพื่อมการเคลื่อนไหวก็สูงนะแล้วก็มีความเป็นอันเดิงกันเดียวกันมีความหนักแน่นมาก คิตโปรตีนอย่างแตกเยอะนะโปรตีนอย่างแตกเยอะใจสลามเนี่ยเขานักแน่นมากของเราที่น่าห่วงก็คือว่าเราไม่ไม่พยายามที่จะกลับเข้าไปสู่หลักการตรงนี้หรืจะเพิ่มพูนมุ่งไปที่หลักแกนหลักคือพระรัตนาไทยเราไปเน้นความสำคัญ ข, ของประเจอก็ชนมากเกินไป ในความต้องการแก่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้หลวงพอ่อหลวงปู่คนนั้นคนนี้อะไรแต่อะไรอย่างนี้ครก็เน้นกันตรงนี้ทําให้ละเลยพระรัตนานใครแล้วละเลยตัวพระสัตธรรมหลักกลายเป็นวาทะของอาจารย์พระสงฆ์เองถูกแยกนับถือเป็นรูปปัจเจกนชนแทนรูปเจนแทนที่จะเป็นรูปสถาบันไตรขาเองก็ไม่ได้เทียบเคียงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นเป็นเกณฑ์นะฮะ แล้จะใช่วาทะอาจารย์โดยเองเป็นเกตพูดไปพูดมาอา่านประเรศไปดกมาเรียบร้อยพว อ, อาจารย์ผู้อย่างไปแล้วนะอาจารย์เนีโง่ามากนะถ้าถถ้าไปพูดค้านกับพระพุทธเจ้าไปนะแสะดงว่าอาจารย์โง่ามากเลยมันเป็นการใช้เหตุผลมันเป็นการใช้อารมณ์แทนที่จะใช่เหตุผลหลักพระศาสนานั้นจึงดํารงอยู่โดยหลักของเหตุผล ซึ่งอาจจะเริ่มที่ศรัทธาเริ่มที่ปัญญานะมันก็นักแน่นพอกันทั้งสองอย่างแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ศรัทธาก่อนอย่างน้อยนะ้ให้ได้ศรัทธาไ้ก่อนศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในรร้พระเจ้าประธรรมประสงค์ในใจสี่ขาในความไม่ในการปฏิญานและในความไม่ประมาทพระพุทธศาสนาคือพระธรรมก็จะดารงอยู่ได้ ซึงก็หมายความว่าการหมุนกลงล้อของพระธรรมด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการสมัมผัสผลด้วยการเผยแผ่ก็จะมีอยู่ตลอดไปแต่ว่าวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมมันพระพภาคเจ้าสมประกาศแสดงวิดีแล้วจงมีแต่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทัวกันทุกท่านเถอ